วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส9เการกรกฎาคมพุทธศักราชส5งพ้าสาเป็นวันที่เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะพบกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย เป็นวันที่จะมีการแสดงธรรมให้ศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเพื่อนำอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจเพื่อปกป้องรักษาจิตใจ ให้อยู่ปราศ จ, จากความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆ mm. ธรรมนี้เป็นที่พึ่งทางใจ mm. เป็นสารณะทางใจ mm. นอกจากพอทรรมแล้วก็ต้องมีพระพุทธเจ้าและมีพระอริยสงสาวกผู้ที่จะเป็นผู้เอาธรรมมันประเสริฐนี้ มาสแสดงมาสอนให้กับท่านทั้งหลาย mm hmm. พี่พึ่งทางใจของเราจึงก็คือจึงเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. พุทธทางสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังขังสระนังกชามิ mm hmm. เราถือพระพุทธพระธรรมทัศน์ เป็นศารณะเป็นที่เพิ่มทางใจเป็นผู้ที่จะสอนวิธีปกป้องรักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ที่เพิ่มทางใจของเรนี้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรายังต้องมีอีกส่วนหนึ่ง ถึงจะมีที่พึ่งทางใจอย่างสมบูรณ์ที่พึ่งทางใจอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมีคืออะไร mm hmm. ก็คืออ ah oh ัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน mm hmm. คือเราต้อง mm hmm. นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นเองเราถึงจะปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจได้ ถ้าเราเพียงแต่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแต่เราไม่น้อมเอาคำสอนมาปฏิบัติเราก็ยังจะไม่มีที่พึ่งทางใจแต่ถ้าเราปฏิบัติโดยลำพังโดยไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นทุตสอนเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกทาง เ, งเหมือนกัน อย่างนั้นเราจึงต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนถึงจะเรียกว่ามีที่พึ่งทางใจอย่างสมบูรณ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนวิธีรักษาใจของเราให้อยู่อย่างสงบสุขอยู่อย่างสบายปราศจากความทุกข์ความม่นวายใจต่างๆเมื่อได้ยินคำสั่งคำสอน ที่สอนให้เราปฏิบัติแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติกันพอปฏิบัติแล้วเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆใจของเราก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องที่พึ่งทางใจไม่ใช่ว่าเพียงแต่ศึกษาพระธรรมคำสอน แต่ไม่นำอาไปปฏิบัติ <Yeah. S 1> ก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้จะนั่งฟังทำเกาะชายผ้าเหลือง <Yeah. S 1> แต่ถ้าไม่นำอาทำที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า mm hmm. แต่ถ้าอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นเป็นโย์ yeah. แต่มีการนาเอารมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ mm. ก็จะถือว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้า mm. มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจ mm. ไม่ใช่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วจะมีที่พึ่งทางใจ mm. อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้วจะมีที่พึ่งทางใจ mm. ถ้าอยู่แล้วอยู่แบบคนหูหนวกตาบอด อยู่แบบไม่ปฏิบัตนะิก็เหมือนอยู่ไกลจากพระพุทธธรรมพระสงฆนะ์การที่เราจะอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องอยู่ด้วยการปฏิบัตนะิธรรมปฏิบัติดปนะีปฏิบัติชอบพนระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนะ ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือจะเป็นผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่สรีระร่างกายที่ประทับอยู่ที่ประเทศอินเดียอันนั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นลูกจ้างคนรับใช้ของพระพุทธเจ้าสารีระของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือพระทยของพระพุทธเจ้า ที่มีธรรมอันประเสริฐชำระใจของพระพุทธเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอันนั้นแหละคือพระพุทธเจ้าใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาผู้ที่ศึกษาธรรมแล้วปฏิบัติธรธรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะบรรลุ ธ, ธรรมถึงขั้น ถึงทําขั้นต่างๆก็จะมีดวงตาเห็นธรรมพอเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจา้าเพราะธรรมกับพระพุทธเจา้านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมก็ออกมาจากใจของพระพุทธเจา้าธรรมที่พวกเราได้ยินได้ฟังเช่นอริยสัจสี่ไตรลักษมณ์บแปดทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญา ธรรมเหล่านี้อยู่ในใจของพระพุทธเจ้าพอเราศึกษาและปฏิบัติเข้าถึงธรรมเหล่านี้เราก็จะเห็นธรรมเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้แหละคือการเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ที่แท้จริงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม เห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นใครก็เป็นพระอริยสงสารกนั่นเองเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์จะเห็นเป็นขั้นขั้นไปจะเห็นธรรมเป็นขั้นขั้นไปจะสว่างธรรมจะทําให้ใจสว่างเป็นขั้นขั้นไปเหมือนแสงแสงเดือน ที่จะสว่างเป็นเซี่ยวเซี่ยวไปเคืนนี้สว่างหนึ่งเซี่ยวเคือนองทุกนี้สว่างเพิ่มอีกหนึ่งเซี่ยวสว่างไปเพิ่มไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะสว่างเต็มดวงทำนี้เปรียบเหมือนแสงสว่างภายในใจใจที่ไม่มีธรรมคือใจที่มีโมหะอวิชชาความมืดบอดก็อบงำจิตใจทําให้จิตใจนี้ ไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นตายรักไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของใจแต่พอได้ศึกษาได้นำเอาธรรมที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจเป็นขั้นขั้นขั้นที่หนึ่งก็เป็นขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองก็เป็นขั้นพระสกิดาคามี ขั้นที่สามก็เป็นพระอนาคามีขั้นที่สี่ก็เป็นพระอาหารหันต์ในแต่ละขั้นใจก็จะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆกําจัดโมหะวิชาไปได้เรื่อยๆขั้นของพระโสดาบันก็กําจัดโมหะวิชาที่ไปยึดไปติดขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราที่เรียกว่ามีสักกายทิฏฐิ มีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเราเป็นตัวเราเห็นรูปคือร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ว่าเป็นเราเห็นความคิดปรุงแต่งว่าเป็นเราเห็นความจำได้หมายรู้ว่าเป็นเรา เราจำได้เราคิดได้ว่าเป็นเราเห็นวิญญาณคือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกขึ้นกายว่าเป็นเราเป็นผู้สัมผัส <c oughs> ความจริงธรรมเหล่านี้เขาเป็นธรรมชาติเขาไม่มีตัวตน รูปังอนัตตานี่ไม่มีตัวตนรูปคือร่างกายของพวกเราไม่มีตัวตนรูปของพวกเราทํามาจากธาตุสี่คือดินน้ํำลมไฟธ า, าตุสี่ก็ธรรมชาติดินจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นธรรมชาติน้ําจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นธรรมชาติลมที่เราหายใจนี้เป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นธรรมชาติ ไฟคือความร้อนนี่มาจากไหนก็เนี้จากแสงสว่างของดวงอาทิตย์เนี่ยพอดวงอาทิตย์ปรากฏแสงขึ้นมาความร้อนก็ตามมาทันทีร่ <Yeah. S 1> างกายของเรานี้เป็นที่รวมของธรรมชาติสี่ชนิดด้วยกันคือดินน้ำลมไฟ <Yeah. S 1> พอมารวมกันเข้าแล้วมันก็กลายเป็นอาการสาสองขึ้นมา <Yeah. S 1> เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนัง แล้วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดกนี้เป็นเราตรงไหนหรือเปล่าเป็นเราเมื่อไหร่ถ้าเราตัดผมทิ้งไปนี่เราหายไปกับผมหรือเปล่าถ้าผมเป็นเราเราโกนผมทิ้งไปเราก็ต้องหายไปกับผมเนี่ยถ้าฟันเป็นเราเวลาเราถอนฟันออกเราก็ต้องหายไปกับฟันเนียแต่เราก็ไม่หาย เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เท่าเดิม mm hmm. เพราะเรามันมาจากความรู้ความคิดของใจ mm hmm. ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดแล้วไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเท่านั้นเอง mm hmm. แต่เวลาใจหยุดคิดเมื่อไหร่เราก็หายไป mm hmm. เช่นตอนเรานอนหลับนี่เราก็หายไป mm hmm. เพราะใจหยุดคิด mm hmm. หรือหยุดรับรู้ไม่มีสติรับรู้ความคิด ก็เหมือนเราหายไปใจมันมากับความละตัวเรานี่มันมากับความคิดม า, มากับความหลงเพราะว่าตัวเราจริงๆคือใจนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตามันมาอยู่กับร่างกายตั้งแต่วันเกิดมันเห็นแต่ร่างกายมาตลอดเวลามันก็เลยทำให้ไปคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายไป ใจคือผู้รู้ผู้คิดไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเพราะใจใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับใจนั่นเองแต่ความจริงใจร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้นใจเป็นคนสั่งเป็นเจ้านายของร่างกายแต่เนื่องจากใจตัวใจเองไม่มีรูปร่างหน้าตา โดยไปถือนั่งกายว่าเป็นตัวเราเท่า น, นั้นเองผู้ที่มาพบความจริงอันนี้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา<ม>คือพระพุทธเจา้าน<ม>เป็นอันดับแรกเป็นบุคคลแรกหลังจากที่ได้ศึกษาได้เปรียบเทียบได้แยกแยะนั่งกายกับจิตใจให้แยกออกจากกันได้<ม>ก็จะเห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนเราส่วนกัน ใจเป็นนายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆน่างกายเป็นผู้รับใช้ณนะใจใจเป็นธาตุรู้น่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมา่รวมตัวกันในท้องแม่ในท้องแม่พอมีธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ธาตุสี่ของพ่อของแม่กับธาตุสี่ของของพ่อและของแม่มารวมกัน ก็เกิดธาตุสี่ของทารกขึ้นมาแล้วพอแม่เติมธาตุสี่ให้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปจากน้ำที่ดื่มเข้าไปจากลมหายใจที่หายใจเข้าไปจากไฟที่ได้รับจากแสงแดดก็ทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นมาในครรภ์ ร่างกายก็จะตลอดโตๆๆอยู่เก้าเดือนพอได้เวลาก็ต้องคลอดออกมาเพราะว่าที่มันคับแคบไปอยู่ในท้องแม่ไม่ได้น่างกายใหญ่โตขึ้นมามากก็เลยมีการคลอดออกมาเนี่ยร่างกายที่คลอดออกมานี้ทามาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟของพ่อและของแม่ แล้วพอออกมาก็ต้องมาเติมธาตุสี่ด้วยตนเองต้องหายใจเองพอออกจากท้องแม่มาก็ต้องเติมธาตุดมด้วยการหายใจแล้วก็ต้องร้องเรียกธาตุน้ำธาตุดินจากจากแมห่หิวน้ำหิวข้าวหิวอาหารแม่ก็เอาธาตุดินชนิดเหลวผสมกับธาตุน้ำคือพวกนมพวกอาหารเหลวต่างๆเลียงเด็กทารกไปก่อน ต่อไปเด็กทารกก็โตขึ้นก็เปลี่ยนจากอาหารเหลวมาเป็นอาหารแข็งได้กินข้าวกินผักกินเนื้อกินอะไรได้แต่ก็ทํามาจากาธาตุทั้งนั้นทํามาจากาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุดมธาตุไฟผสมกันนี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนมันเป็นาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรา เราคือผู้รู้ผู้คิดส่งกระแสมาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายมารับรู้สิ่งที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทําให้เรารับรู้เวลาตาเห็นภาพเราก็รู้ว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรพอเสียงมากระทบกับหูใจก็รับรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงไข่ อ น, นี่คือธาตุอันนี้คือขันห้าเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติแต่ละชนิด <Yeah. S 1> นั่างกายก็เป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยธรรมชาติสีชนิดคือดินน้ำลมไฟ <Yeah. S 1> เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นความรู้สึกก็เป็นธรรมชาติอย่างน yeah. เป็นภาวะการรับรู้ความรู้สึกเรียกว่าเวทนาเวลาร่างกายร้อนก็รู้สึกทุกขเวทนาเวลาร่างกายไม่ร้อนไม่เย็นก็รู้สึกไม่ทุกขไม่สุขเวทนาเวลาร่างกายเย็นสบายก็รู้สึกสุขเวทนาเวท น, นาก็เกิดขึ้นจากการสัมผัสรูปเสียงกิจรสผดทะพะที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกาย เวลาเห็นรูปที่ชอบที่สวยงามก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวลาเห็นชอบที่เห็นรูปที่ไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา <S <S 1> <S 1> เวลาเห็นรูปที่เฉยๆจะว่าชอบก็ไม่ใช่จะว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่ก็เกิดความรู้สึกเฉยๆตามมาเวทนานี้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เราสัมผัสที่ได้รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย เสียงก็เหมือนกันเสียงที่ชอบก็สุขเวทนาเสียงที่ไม่ชอบก็ทุกขเวทนานี่คือเวทนามันเกิดขึ้นของมันเองแล้วมันดับของมันเองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นอนิจจังเหมือนกับร่างกายร่างกายก็อนิจจังมันก็เปลี่ยนของมันอยู่เรื่อยๆร่างกายของเรานี่เปลี่ยนอยู่ทุกวันจากเด็กก็ค่อยๆโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ จากคยใหญ่ก็ค่อยๆแก่ลงไปกลายเป็นคนแก่แล้วต่อไปก็กลายเป็นคนตายไปมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปจัดการไปห้ามไปทำอะไรได้มันเป็นไปของมันเหมือนลมพัดเหมือนฝนตกมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่มีใครไปห้ามความเจริญเติบโตของเด็กได้ เด็กเกิดมาแล้วมันก็จะเริญเติบโตไปตามธรรมชาติของมันพอมันโตเต็มที่มันก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปตามธรรมชาติของมันจนในที่สุดมันก็จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพอลมไม่หายใจปั๊บเนี่ยก็ถือว่าการรวมตัวของธาตุสีก็ยุติลงธาตุสีไม่เข้าแล้วทีนี้จะมีแต่ธาตุออกธาตุที่ออกอันแรกก็ธาตุม ลมไม่เข้าแล้วก็ไม่หายใจทีนี้ก็มีแต่ลมออกคือกลิ่นที่ออกมาทางร่างกายแล้วตามไปด้วยธาตุไฟร่างกายที่เคยอุ่นเคยร้อนก็กลายเป็นเย็นไป mm hmm. เวลาไปแตะต้องร่างกายนี้ของคนตายนี่จะรู้สึกว่ายเย็นกว่ร่างกายของคนเป็นเพราะธาตุไฟได้ออกจากร่างกายไป แล้วต่อมาถ้าปล่อยทิ้งไว้น้ำธาตุน้ําก็จะออกมาตามทวารต่างๆ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เวลาไปอาบน้ําสร็จบงที่เราเห็นเขาเอาสําลีอุดจมูก mm hmm. ก็เพราะว่าธาตุน้ํามันออกมา mm hmm. มีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําอะไรที่มันจะไหลออกมา mm hmm. เพราะมันอยู่รวมกันไม่ได้แล้วธาต mm ุสี่พอมันหยุดทํางาน mm hmm. พอร่างกายหยุดทํางานธาตุสี่ที่เคย ดึงเอาธาตุสีมารวมกันก็ไม่มีกำลังที่จะดึงต่อไปได้ธาตุสีมันก็แยกกลับคืนสู่ที่ตั้งเดิมธาตุลมก็กลับไปอยู่กับลมธาตุไฟก็กลับไปอยู่กับไฟธาตุน้ำก็จะกลับไปอยู่กับน้ำเหลือแต่ธาตุดินธาตุดินก็อยู่กับดินต่อไปอ น, นี่คืออนิจจงร่างกายของเรานี้อ น, นิจจงไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ต้องมีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของมันเมื่อโตเต็มที่แล้วก็เริ่มนับถอยหลังเริ่มเสื่อมลงไปทีละนิดเทียหน่อยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นร่างกายของคนแก่คนชราร่างกายของคนเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็กลายเป็นร่างกายของคนตายไปร่างกายเป็นอนัตตา คือไม่มีใครไปไปสั่งให้มันเป็นอย่างอื่นได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับไม่มีใครไปควบคุมลมพัดได้เวลาลมพัดเหรือเวลาฝนตกไม่มีใครไปควบคุมได้อย่ใดท่าสิที่อยู่ในร่างกายก็เหมือนเหมือนท่านลมที่อยู่ข้างนอกท่านน้ําที่อยู่ข้างนอกไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ นี่คกอการพิจารณาการมีดวงตาเห็นธรรมเนเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังแล้วก็เห็นว่าถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดทุกข์ขังขึ้นมามเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะถ้ายึดติดก็อยากให้มันไม่ตายนั่นเองอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วย พอมันอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ใจกันแต่ถ้าอยากแล้วได้ได้ดังใจอยากก็จะไม่ทุกข์งั้นถ้าเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายล้วก็อยากแก่สิพออยากแก่แล้วมันแก่มันก็ไม่ทุกข์ใจใช่ไหเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราเวลาเราได้เราทุกข์ใจหรือเปล่าเราดีใจใช่ไอ ก็ลองอยากแก่ดูสิเดี๋ยวจะได้สมใจไม่ต้องไม่ผิดหวังเออยากแกเออยากเจ็บไข้ได้ป่วยอยากตายอแต่ไม่ไปฆ่าตัวตายก็ว่าอยากนี้ไม่ได้ไปฆ่าตัวตายคืออยากได้ถ้าได้ก็ดีถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอไปก่อนแต่พร้อมที่จะรับมันเมื่อถึงเวลาที่มันจะมาเนี่ยนี่วิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับร่างกาย เราต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองคือด้วยความอยากเราต้องหยุดความอยากไม่แก่เป็นความอยากไม่แก่มาเปลี่ยนเป็นความอยากแก่เวลาแก่ก็ไม่ต้องไปยอมผมเวลาแก่ดีอยากแก่อยู่แล้วจะได้เป็นผู้ใหญ่คนจะได้เคารพนับถือเป็นเด็กทาไมแก่นี่เป็นผู้ใหญ่มีคนเคารพนับถือ เป็นเด็กเป็นสาวนี่เป็นหนุ่มนี่ไม่มีใครเขาเคารพนับถือนะไอคิดอย่างนี้เป็นคนเจ็บก็ดีมีคนมาคอยดูแลเราเต็มที่เลยไมเวลาเราสุขเราไม่เจ็บนี่ไม่มีใครเหลียวแลเราใช่ไหมพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้คนมาเยี่ยมกันเป็นเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเมารนงาบดีความแก่ความเจ็บความตาลมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดี เวลาตายเนี่ยเห็นไหมคนมางานศพเราเยอะแยะไปหมดนะ <c oughs> มาไว้อะไร <c oughs> นะนี่คือวิธีที่จะทําทให้ใจเราไม่ทุกข์ <c oughs> เราต้องอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <c oughs> ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละที่เป็นตัวทําให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตาย ความแก่ความเจ็บความตายมันมีด้วยกันทุกคนแต่บางคนก็ทุกข์บางคนก็ไม่ทุกข์คนที่ไม่ทุกข์เพราะว่าเขายินดีกับความแก่ความเจ็บความตายพระโสดาบันผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมในขันห้าเนี่ยเห็นว่าขันห้านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยเปลี่ยนจากความไม่ยินดีมาเป็นความยินดีเปลี่ยนจากความไม่ยินดีกับความแก่ความเจ็บความตาย มาเปลี่ยนเป็นความยินดียอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพอยอมได้แล้วใจจะสบายใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยขั้นแรกขั้นของพระโสดาบันเนี่ยเห็นว่าเห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าขันห้านี้เป็นอนิจจัง มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาเวทนาก็มีเกิดมีดับเนี่ยความรู้สึกทุกข์มันเกิดมันทุกไปตลอดทั้งวันที่ไหนเดี๋ยวมันก็หายทุกข์เวลาเกิดสุขมันก็ไม่ได้สุขไปทั้งวันเดี๋ยวมันก็หายไปเวลาไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ไปทั้งวันเดี๋ยวมันก็หายไปมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ต้องไปทาอะไรกับมัน หาอยู่กับมันดีกว่าสบายกว่าทำใจเฉยๆท่านเองไม่ต้องไปแก้มันร้อนก็ปล่อยให้มันร้อนไปเดี๋ยวมันก็หายร้อนหนาวเดี๋ยวมันก็หายหนาวมันเป็นธรรมชาติที่เราไปแก้ไม่ได้เรามาแก้ที่ใจเราตัวเดียวพออย่าไปแก้ธรรมชาติใจเราแก้ได้คือหยุดใจเราอย่าให้ไปยุ่งกับธรรมชาติอย่าไปยึดไปติดกับธรรมชาติ อย่าไปอยากให้ธรรมชาติเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราหากทำใจของเราให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ให้รับกับความให้รับกับธรรมชาติให้ได้เวลาสุขเวทนาก็รับมันเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รับมันไปเวลาเช่นเวลาเจ็บไข้มันก็ต้องเจอทุกขเวทนาทำยังไงมันก็ไม่หายกว่าจะหายมันก็ต้องใช้เวลา เดี๋ยวมันก็หายเองไม่ช้าก็เร็ว <Yeah. S 2> เราเพียงแต่ทําใจเราใจเย็นๆทําใจเราเฉย <Yeah. S 2> สิ่งที่เราขาดที่จะทําให้เราสามารถปล่อยวางได้ก็คือเราขาดสมาธิกันเราขาดอุเบกขากัน <Yeah. S 2> ถ้าเรานั่งสมาธิไปต่อไปเราจะไม่อุเบกขาค <Yeah. S 2> ือใจของเราจะปล่อยวางจะวางเฉยได้ วางเฉยกับร่างกายได้วางเฉยกับเวทนาได้แล้วพอวางเฉยได้ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายจะไม่ทุกข์กับเวทนาจะไม่ทุกข์กับสัญญาสังขารวิญญาณเวลาได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะจะดีหรือไม่ดีก็จะเฉยได้ไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไปสัมผัส ร, รับรู้ นี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นว่าร่างกายของเรากับความรู้สึกนึกคิดของเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้อาจจะควบคุมได้เป็นบางครั้งบางเวลาเช่นบางครั้งเราก็ยังถ้ามันหนาวเราก็หาผ้าห่มมาห่มได้ ถ้ามันร้อนเราก็อาบน้ำหรือเอาลมเอาพัดลมมาพัดได้ <Yeah. S 1> แต่มันบางเวลาเราไปทำอะไรไม่ได้ <Yeah. S 1> เช่นเวลาเกิดโลกภัยไข้เจ็บขึ้นมาเป็นไข้ปวดไปทมีการอาการปวดไปทั่วสพางร่างกายมีไข้ร้อน <Yeah. S 1> เราก็ทำอะไรไม่ได้ <Yeah. S 1> จะเสก จ, จะเป่าให้มันหายไปมันก็ไม่ไป มันก็อยู่ของมันไปเป็นตามธรรมชาติของมันดนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เราไม่ทุกข์กับขันห้าก็คือเราต้องปล่อยวางต้องรู้ว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราปล่อยวางได้เราจะไม่ทุกข์กับขันห้าไม่ทุกข์กับรูปคือร่างกายของเราเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะไม่ทุกข์ เวลาที่เราสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเฉยเฉยเสียงจะเสียงชมเราก็เฉยเฉยเสียงด่าเราก็เฉยเฉยรูปที่ดีที่น่ ง, งามเราก็จะเฉยรูปที่ไม่ดีไม่งามเราก็เฉยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ เรามาเปลี่ยนที่ใจเราตัวเดียวแล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้หมดถ้าเราไปเปลี่ยนที่อื่นเราก็ต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆพอเห็นรูปนี้ไม่ดีก็พยายามกำจัดมันพอเห็นรูปดีก็พยายามเหนียวพยายามรักษามันแต่พอรักษาไม่ได้รูปที่เราชอบบันจากเราไปมันก็ทำให้เราเศร้าพอเราไปเห็นรูปที่เราไม่ชอบขึ้นมามันก็ทำให้เราไม่สบายใจขึ้น แล้วเราพยายามจะไปกำจัดมันมันก็ไม่ไปต้องอยู่กับมันอยู่ก็ต้องอยู่แบบทุกข์ถ้าเราอยากให้มันไปแต่ถ้าเราทำใจเฉยๆเมื่อเรากำจัดมันไม่ได้มันจะยึงอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปพอเราทำใจเฉยได้ก็อยู่ด้วยกันได้รูปไม่ชอบเสียงที่เราไม่ชอบเราก็อยู่กับมันไป แต่ใจเราจะไม่ทุกข์ลใจของเราจะไม่เดือดร้อนใจจะเราจะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือหน้าที่ของสมาธิที่เราได้ยินได้ฟังคือเรื่องของไตรลักษณ์นี้คือหน้าที่ของปัญญาเราต้องรู้ก่อนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ตลอดเวลาเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องใช้สมาธิมาหยุดมันหยุดใจที่อยากปัญญานี้ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังหยุดความอยากได้ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่ ขั้นปัญญาได้เข้าสู่ขั้นโลกุตระธรรมเข้าสู่ขั้นอริยามรรคอริยผลได้เราต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก่อนต้องฝึกสมาธิให้ใจสงบใจเป็นอุเบขาใจวางเฉยได้ถึงแม้จะวางเฉยได้ในเฉพาะเวลาเข้าสมาธิก็ตามแต่ถ้าเวลาออกจากสมาธิมานี้ ถ้าเคยเฉยได้แล้วพอมีปัญญามาสอนมาบอกให้เฉยมันก็จะเฉยได้ต่อแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขามาก่อนปัญญาบอกให้เฉยให้อยู่นิ่งๆให้ปล่อยวางก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าการเฉยการปล่อยวางนี้ทำอย่างไรนั่นเองเราจึงต้องมาหัดเฉยมาหัดปล่อยวางด้วยการฝึกสมาธิกันก่อน เราต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันและการที่เราจะมีเวลามาฝึกนั่งสมาธิกันได้เราก็ต้องมีศีลมีศีลแปดเป็นอย่างน้อยเพราะศีลแปดนี้จะเป็นผู้ที่จะมาหาเวลามาให้กับเราศีลแปดจะเอาเวลาเช่นไปเที่ยวมาให้กับเราเพราะศีลแปดจะม่ห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวกันนั่นเองไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปร้องลัมทำเพลง ไม่ให้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้นั่งไม่ให้นอนมากเกินไปถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมันสบายนอนตื่นแล้วก็ไม่อยากจะลุกจะนอนต่อพระพุทธเจ้าเลยบอกต้องนอนบนพื้นแข็งๆพอพื้นแข็งๆนี่มันไม่สบายพอนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะนอนต่อ ก็จะมีเวลาลุกขึ้นมานั่งสมาธิกันได้ไม่ให้เสพกามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครเพราะไปร่วมหลับนอนกันมันก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าไม่ห้ามเดี๋ยวก็จะรับประทานไปถึงเย็นถึงค่ำถึงเวลาก่อนนอนกันก็จะมักแต่คิดถึงเรื่องกินตลอดเวลา จะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสมาธิกันดังนั้นผู้ที่ต้องการจะฝึกสมาธิแบบจริงจริงจังๆแล้วนี้จําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกันหรือศีลแปดกันจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันและการจะนั่งสมาธิได้ผลดีก็ต้องไปหาที่สงบกันถ้านั่งสมาธิกับที่บ้านหรือที่มีคนมีเหตุการณ์อะไรอกระทึกกโคมอยู่เรื่อยๆนี้ จะรบกวนการนั่งสมาธิจะทําให้การนั่งสมาธินี้เป็นไปได้ยากต้องไปปลีกวิเวกผู้ที่อยากจะฝึกสมาธิต้องหาที่สงบสงัดกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกถ้ากายคือสถานที่ของที่กายอยู่ไม่วิเวกไม่สงบจิตก็จะวิเวกไม่ได้จิตก็จะสงบยากผู้ปฏิบัติธรรม ที่ปรารถนาความสงบส่วนใหญ่จึงมากไปปีกวิเวกันไปอยู่ตามสถานที่สงบสงดัดถ้าเป็นผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ก็ไปอยู่ตามวัดที่สงบก่อนส่วนพระที่อยู่วัดแล้วบางทีก็ยังรู้สึกว่าไม่สงบพอก็ไปปีกวิเวกไปทุ่ดงคนเดียวไปอยู่ตามป่าตามเขาคนเดียวเพราะว่าถึงแม้อยู่วัดที่สงบแต่วัดก็ยังมีคนที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วย ก็ต้องอยังมีเรื่องราวที่จะต้องทําให้จิตใจวุ่นวายได้นี่แหละสาเหตุทําไมพระท่านต้องไปปิกวิเวกไปทุ่ดงกันทําไมปฏิบัติอยู่ในวัดไม่ได้ดยกเว้นวัดบางวัดนี่เป็นสถานที่วิเวกตลอดเวลาพราะมีคนคอยควบคุมอย่างเช่นวัดป่าบ้านตานี่หลวงตาท่านคอยคุมให้วัดวิเวกไม่ให้พระครุกคลีกัน ท่านจะเดินตรวจวัดวันละสามสี่รอบเนี่ยดูว่าพระจับกลุ่มกันที่ตรงไหนบ้างนะพอเห็นหลวงตาเดินมานี่กลุ่มกระจายเลยก็โจรเลยไม่ใช่กระจายบางทีแอบเลยอดไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันเหง า, าบางทีก็แอบมาเจอกันมาคุยกันบ้างพอหลวงตาเดินผ่านมาปุ๊บนี่เห็นมานี่เห็นมาแต่กายนี่ก็กโจรกันไปละใบคนละทิตศคนละทางนี่ย แนะถ้าอยู่แบบวัดอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องไปปีกวิเวกก็ได้เพราะวัดนี้วิเวกมีคนคอยทำให้วิเวกอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีคนมาคอยคุมเนี่เดี๋ยวพระก็ต้องมาจับกลุ่มกันโยมก็เหมือนกันโยมก็ถ้าไม่มีพระมาคอยครูบาอาจารย์มาคอยตรวจดูเดี๋ยวก็จับกลุ่มคุยกันไปอยู่วัดแทนแทนที่จะไปนั่งภาวนาเดี๋ยวก็ไปนั่งจุบจิบจุบจิบไปนินทาคนนั้นนินทาคนนี้กันอีก ดีไม่ดีคุยไปคุยมาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเองงั้นนอกจากการไปปลีกวิเวกที่สงบแล้ว ย, ยังต้องไม่คลุกคลีกันด้วยห้ามคลุกคลีกันแยกกันอยู่ที่ใครที่มันวัดปฏิบัตินี้เขาจะไม่ให้อยู่ในหอเขาจะมีกุฏิมีที่พักเป็นหลังๆไปให้แยกกันอยู่ เ, เพื่อจะได้ไม่มาคลุกคลีมาคุยกัน เพราะมันเสียเวลาเพราะคุยกันก็คุยแต่เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องธรรมนี้ยังไม่มีใจยังไม่มีธรรมจะเอาธรรมมาคุยกันได้อย่างไรดังนั้นจึงต้องแยกกันออกจากกันยกเว้นเวลาที่จำเป็นต้องมาทำภารกิจร่วมกันเช่นเวลามารับประทานอาหารเวลาที่มาทำความสะอาดก็มาช่วยกันทำ แต่ระหว่างที่ทำภารกิจเหล่านี้ก็ไม่พูดคุยกันต่างคนต่างมีสติอยู่กับงานที่ตนเองทำถือว่าเป็นการปฏิบัติทำไปในตัวคือเป็นการฝึกสติก่อนที่จะนั่งสมาธิให้จิตสงบได้ต้องมีสติก่อนต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยดึงความคิดไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความคิด ไม่ให้ไปในไม่ให้คิดกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตให้รู้เฉยๆในปัจจุบันให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนก็รู้ว่ากำลังยืนกำลังรับประทานอาหารก็รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารเป็นกำลังตักข้าวนี้ก็รู้ว่ากาลังตักข้าวกำลังเคี้ยวอาหารก็รู้ว่ากาลังเคี่ยวอาหาร ไม่ใช่รับประทานไปก็คิดไปรับประทานอาหารก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่ายังไม่มีสติยังไม่ได้เจริญสติถ้าเจริญสติแล้วจะไม่คิดจะห้ามความคิดตลอดเวลาเพราะเวลานั่งสมาธิถ้าใจไม่หยุดคิดมันไม่สง บ, บมันจะไม่เป็นอุเบกขามันจะไม่มีความสุขยิงก่อนที่จะมานั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาได้ จำเป็นต้องฝึกสติไว้ก่อนมันฝึกสติอยู่เรื่อยๆถ้าควบคุมจิตให้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ให้อยู่กับร่างกายไม่ได้ก็ให้ใช้พุทโธแทนก็ได้ให้ท่องพุทโธพุทโธไปให้อยู่กับพุทโธไปแทนที่จะเฝ้าดูล่างกายก็ให้มาท่องพุทโธกันเพราะถ้าเราท่องพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเอง เพราะเราเอาความคิดมาคิดกับคําว่าพุโทโธพุธโทโธแทนความคิดของเรานี้จะคิดได้ทีละเรื่องถ้าคิดอยู่กับพุโทโธก็จะไปคิดกับคนเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าจะคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องหยุดพุโทโธก่อน mm hmm. นี่คืออุบายวิธีของการเจริญสติเพื่อเวลาที่ไปนั่งสมาธิ mm hmm. จิตจะได้สงบได้ง่ายสงบได้เร็ว mm hmm. ถ้ามีสติดีๆนี่นั่งห้านาทีก็สงบแล้วพุโทโธพุโทโธไปห้านาทีจิตก็ลวมดูลมหายใจเข้าออกห้านาทีจิตก็นิ่งสงบแล้วจิตก็จะสุขจะสบายจะได้พบกับความสุขที่เรียกว่านาัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกับความสงบไม่มีถ้าได้เข้าถึงความสุขนี้แล้วทีนี้ความเพลินมันจะมาเอง อิทธิบาตสี่มันจะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีจะมีฉันทะจะมีความยินดีกับความสงบกับการปฏิบัติเพื่อความสงบจะมีวิริยะความเพียรที่จะเพียรปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเพียร น, นักเพียรเจริญสติเพียร น, นั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบให้เข้าถึงความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจิตใจจะมีแต่จดจ่อคิดถึงแต่เรื่องของสมาธิ เรื่องของสติมีมังสาก็จะค่ายควรคอยเตือนใจว่ามันจเจริญสติอยู่เรื่อยพ ย, ยายามนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆจะไม่คิดไปถึงเรื่องหาขนมกินไปหากาแฟดื่มไปหาคนนั้นคุยด้วยแก้งเหงาคนที่มีที่บาทสีแล้วนี้จะไม่ยุ่งกับใครนะจะพุ่งไปที่การปฏิบัติเพียงอย่างเดียว จะมีที่บาสีได้นี้ต้องได้ผลก่อนแม้จะเป็นผลแค่ช่วงงูแลบลิ้นก็ตามเวลาจิตรวมใหม่ๆนี้มันจะรวมแวบเดียวเหมือนงูแลบลิ้นสงบแป๊บเดียวแล้วมันก็ถอนออกมาแต่ความรู้สึกนี้มัน ม, นมหาศจา์ใจมันจะไม่หลงไม่ลืมไปจนวันตายแล้วมันจะมีความอยากได้ความสุขแบบนี้อยากให้มันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะ ทีนี้ก็จะไม่สนใจกับเรื่องอื่นนะมีแฟนก็เลิกกับแฟนได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ยกให้คนอื่นได้เพราะความสุขที่ได้จากแฟนความสุขที่ได้จากเข้าของเงินทองนี่มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขมันที่ได้จากความสงบมันดีกว่ามันสุขมากกว่าแล้วมันไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับความสุขที่ได้จากเข้าของเงินทองจากการมีแฟน เพราะข้าวของเงินทองมันก็ไม่แน่นอนแฟนก็ไม่แน่นอนวันดีคืนดีเขาอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้พอเขาจากเราไปทีนี้ความสุขที่ได้จากเขาก็เลยกลายเป็นความเศรา้าโศกเสียใจแทนไปแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีพิษมีภัยถึงแม้มันจะหายไปมันก็ไม่ได้ทำให้เราเศรา้าโศกเสียใจแต่มันจะทำให้เราอยากจะกลับเข้าไปหามันอีกอยู่เรื่อย ดนั้นต้องพยายามเข้าให้ถึงความสง บ, บนี้ให้ได้แม้แต่เพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามแล้วก็ชั่วแป๊บเดียวก็ตามถ้าใครมีประสบประการแบบนี้มาก่อนบางท่านอาจจะเคยมีบุญเก่ามาแล้ววันดีคือดีไปอยู่คนเดียวตามลำพังสักป๊บหนึ่งจิตก็อาจจะรวมขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็ได้ โดยที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเคยอยู่คนเดียวเคยถูกปล่อยให้นั่งอยู่คนเดียวใต้ล่มไม้วันนั้นมีงานในวังพวกพวกคนที่คอยดูแลอุปถัมภ์ไปช่วยงานปล่อยให้เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารนั่งอยู่คนเดียวใต้โคนไม้พอไม่มีใครมายุ่งกับท่านน ใจของท่านที่เคยมีความสงบมาในจากอดีตชาติมันก็สงบขึ้นมาทันทีเพราะบรรยากาศมันเอื้อต่อความสงบ พ, พอกายวิเวกจิตก็วิเวกขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ได้ไปตั้งใจนั่งสมาธิดูลมหายใจหรือพุทโธหรืรออะไรแต่อย่างใดอันนี้เรื่องของบุญเก่าท่านถึงเรียกว่าเป็นมงคลอย่างอย่างหนึ่งการที่ได้มีการกระทําบุญเก่าไว้น วันดีคืนดีบุญเก่ามันจะส่งผลให้กับเราได้เช่นบางทีเราตกทุกข์ได้ยากก็มีคนยื่นมือยื่นมือมาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ต้องไปหาไปขออะไรจากใครอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุญเก่าเราเคยช่วยคนอื่นมามากเพอถึงเวลามันจะมากลับมาหาเราเองเวลาที่เรา เดือดร้อนเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือไม่ต้องไปขอเดี๋ยวเทพบดาไปขอให้แทนเคยได้ยินคําว่าเทพบันดาลไหมเพราะคนที่มีบุญนี้เ ท, เทพจะปกครองจะคุ้มครองจะคอยดูแลรักษาพอรู้ว่าขาดหรืออะไรเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวเทพไปเท่าฝันคนนั้นคนนีเ้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็อยู่ดีๆก็มาหามาช่วยเราโดยที่เราไม่ต้องไปขออะไรจากเขา ขอให้เรามีบุญเท่านั้นแหะขอให้เรามีบุญในอดีตบุญเก่าแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะมาคุ้มครองเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากท่านถึงบอกว่าคนมีบุญนี้เป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้บุญนี้แหละจะคุ้มครองพวกเราถ้าพวกเรายังไม่มีก็ทำกันเสียแต่บัดนี้ยังมีเวลาทําได้เพราะเรายังต้อง อ่าจยังต้องอยู่ต่อไปในอนาคตอีกนานอานยังต้องกลับมาเกิดมาอีกหลายรอบด้วยกันถ้าเรายังไม่สามารถทําพันิพาณให้แจ้งในรอบนี้ได้เราก็อาจจะต้องกลับมาเกิดกันอีกงั้นเราอย่าประมาทในบุญถึงแม้ว่าเราจะไปภาวนาก็ตา่างแต่ถ้าเรามีเวลามีโอกาสที่จะทําบุญได้เราก็ควรจะทําบุญช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือเขาไป เพราะเราไม่ขาดทุนเนเพราะเงินทองเหลือใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเก็บไว้ทําไมซื้อเอามาทําเป็นบุญไม่ดีกว่านะเพราะบุญนี้เป็นเหมือนซื้อประกันชีวิตซื้อประกันภัยเดี๋ยวเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากประกันภัยของบุญจะมาช่วยเหลือเราต่อไปอันนี้พูดยกตัวอย่างถึงเรื่องของคนที่ มีบนเก่าบางคนมานั่งฝึกสมาธิเพียงไม่กี่ครั้งก็จิตก็สงบได้อย่างแม่ชีแก้วเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงตาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยสมัยที่ท่านเป็นสาวเนี่ยหลวงปู่มัน่นท่านก็เคยไปไปทุ่งดองอยู่ใกล้บ้านท่านไปบิณฑบาตรที่ปู่บ้านของท่านแล้วท่านก็สอนธรรมะให้กับเด็กคนนี้เด็กสาวคนนี้ให้พุทโธพุทโธแล้ววันคืนหนึ่งเธอก็ลองทําตามหลวงปู่มั่นบอก นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธเธอบอกว่าห้านาทีจิตก็สงบแต่เธอคิดว่าเธอไปฝันเพราะเธอเป็นจิตที่ผ่าดผนพอสงบแล้วไม่อยู่เฉยๆไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็มาแล้วก็มาเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังตอนเช้าหลวงปู่มั่นบอกเออนี่แหละสมาธิอย่างหนึ่งแต่แต่หลังจากที่หลวงปู่มั่นจากไปท่านก็ห้ามว่าเธออย่าเพิ่งภาวนาตอนนี้ สิ่แบบนี้ต้องมีครูบาอาจารย์คอยควบคุมคอยสอนต่อมาเธอก็โตขึ้นเธอก็บวชชีแล้วก็ศึกษาจากหลวงปู่มัน่นแล้วก็พอหลวงจุหลวงปู่มั่นจากไปก็ไปศึกษาจากหลวงตามหาโบต่อจนในที่สุดก็เธอก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงอันนี้ก็เป็นพ่อบุญเก่าทําให้สามารถมาต่อบุญได้อย่างรวดเร็ว สามารถมาทำนิพพานให้แจ้งได้ในภายในภพนิชชาินี้สำหรับพวกที่ไม่มีบุญเก่านี้ก็ต้องขยันหน่อยนะัขยันสร้างบุญเสียแต่บัดนี้อย่าไปขี้เกียจยังมีโอกาสอยู่ยังสามารถทำนิพพานให้แจ้งได้ในภพนิชชาินี้ถ้าเรายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยสอนคอยบอกคอยเตือนใจเราอยู่ขอให้เราเหมั่นปฏิบัติตามปฏิบัติไปเถิดไม่ช้าก็เร็วนะ เราจะได้ผลอย่างแน่นอนดังนั้นเราถึงต้องมีที่พึ่งทั้งสองอย่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนผู้บอกวิธีการปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องบังคับตัวเราให้คอยปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเราปฏิบัติอะไรได้เราก็เริ่มจากตรงจุดนั้นไปก่อนถ้ายัง นั่งสมาธิไม่ได้ก็อัดพุทธโธไปก่อนอัดท่องพุทธโธพุทธโธไปก่อนเวลานั่งสมาธิถ้าถ้าไม่พุทธโธก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือถ้านั่งไม่เคยนั่งเฉยเฉยได้เลยเนี่ยก็ลองนั่งฟังธรรมไปก่อนเนี่ยอย่างญาติโยมมาที่นี่มานั่งกันเฉยเฉยได้ถึงหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อ ย, ยแต่ถ้าไม่มีธรรมให้ฟังเดี๋ยวก็จิตมันก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ เดียวก็อยากทำนู่นทำนี่ขึ้นมาจะนั่งเฉยๆนานไม่ได้เนีย่ยการฟังธรรมก็เป็นวิธีฝึกสติฝึกสมาธิในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถนั่งพุโทโธพุโทโธหรือนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้แล้วก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้นั่งสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ก็ไม่ต้องไปออกเสียงไม่ต้องไปเชื่อตามที่เขาบอกต้องออกเสียงดังๆเทวดาจะได้ยินเทวดาก็มีหูทิพย์นยเรา แล้วเราสวดด้วยเสียงทิพก็พอเสียงทิพก็คือใจเราสวดในใจเราเนี่ยแล้วมันจะกังวลไปถึงเทวดา เ, เสียงที่ออกมาทางปากมันเป็นเสียงให้กับมนุษย์ เ, ยเสียงหยาบเสียงของมนุษย์ยถ้าอยากให้เทวดาฟังสวดภายในใจไปแล้วเดี๋ยวมันจะก้องกังวลให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้แต่เราไม่ได้สวดเพื่อให้เทวดาฟัง เราสวดเพื่อฝึกจิตเพื่อให้มีสติเพื่อให้จิตของเราสงบให้เป็นสมาธิอันนี้คือเป้าหมายหลักของการสวดมนต์หรือของการฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเรายังไม่สามารถนั่งสวดมนต์ได้ก็นั่งฟังธรรมไปก่อนให้ธรรมะกล่อมใจของเราให้ให้เย็นลงให้สบายให้สงบลงแล้วพอเราเลิกฟังธรรมแล้วเราลอง ดูลมหายใจต่อไปดูอาจจะดูลมหายใจได้เพราะตอนนั้นใจก็อาจจะไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเพราะฟังธรรมนี้จะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาภายในใจใแล้วก็นั่งดูลมต่อไปอย่าเพิ่งเลิกหลังจากที่เราฟังธรรมจบเราก็ปิดปิดเครื่องแล้วเราก็นั่งดูลมหายใจต่อไปต่อไปเราก็จะนั่งสมาธิได้นาน แล้วต่อไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ขอให้เรามีความเพียรพยายามต้องสู้ไม่ถอยความเพียร น, นี้เป็นธรรมที่สำคัญต่อจากสติธรรมอันแรกที่ต้องมีคือสติแต่จะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรเป็นผู้สร้างหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร ความเพียรนี่แหละคืออัตตาหิอัตโนนาโถเพราะไม่มีใครมาทำความเพียรให้กับเราได้เพราะพระพุทธเจ้าผู้มีมีวิวริยะบา ร, รมีอันสูงสุดมีความเพียรอันสูงสุดก็ไม่สามารถแบ่งวิริยะบารมีของพระพุทธเจ้ามาให้กับเราได้ของที่พระพุทธเจ้ามีทั้งหมดนี้แบ่งมาให้เราไม่ได้บา ร, รมีสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างไว้นี้ท่านแบ่งให้เราไม่ได้ เราต้องสร้างของเราขึ้นมาเองท่านเพียงแต่บอกเราได้ว่าบาามีสิบชนิดมีอะไรบ้างเช่นเมตตาบาามีเราก็ต้องสร้างเองเราต้องมีความเมตตาทานบาามีเราก็ต้องทำเองศีลบารามีเราก็ต้องรักษาเองเนคขมะบาลมีเราก็ต้องเจริญอุเบกขาบาามีเราก็ต้องสร้างกันขึ้นมาบัญญาบาามีก็เช่นเดียวกัน ของพวกนี้สร้างกันได้สร้างได้ด้วยความเพียรขอให้เรามีความเพียรแล้วบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงมีเราก็จะมีเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้ามีอะไรถ้าเรามีความเพียรที่จะสร้างมันเราก็จะมีได้เหมือนกันดงนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องพยายามฝึกก็คือความเพียรอย่าขี้เกียจเอาความเพียรชนะความเกียจค้านเอาความขยันหมั่นเพียรชนะความเกียจค้าน วิธีที่จะทำให้เกิดมีความเพียรขึ้นมาทำอย่างไรก็ไปอยู่กับคนที่มีความเพียรเนี่ยพระเ น, เนชอบไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีความเพียร เ, เพราะว่าถึงเวลาเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านมาเรียกแล้วให้เตื่นว่าเข้าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันเวลาคังเรียกถ้าไม่มีคนทำความเพียร น, นำเราเราก็มักจะนาตัวเราเองไม่ได้ ว่าเราเป็นเหมือนเรือพ่วงไม่ใช่เรือที่มีเครื่องถ้าเรือที่มีเครื่องแล้วเขาไปของเขาคนลำลำเดียวได้แต่พวกเรือพ่วงนี้ต้องเรือรอให้มีเรือเรือเครื่องลากไปนั่นเองตอนต้นเราก็เลยต้องไปอาศัยอยู่กับผู้ที่เขามีความเพียรไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบท่านจะพาเราปฏิบัติถึงเวลาตืน่นลุกขึ้นมาภาวนา ถึงเวลาบินทบาทถึงเวลาขบฉันถึงเวลาทำภารกิจต่างๆมีเวลาให้เราทำความเพียรตลอดเวลา mm hmm. ถ้าเราไม่สามารถหาครูบาอาจารย์ได้เราก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราเองก็ได้ด้วยวิธีจับตารางขึ้นมาสิตารางเวลาเวลานี้ตื่นกี่โมงตีสี่ตั้งเวลาไว้ตีสี่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วตีสี่ถึงตีห้าทำอะไรนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ ตีหกลุกขึ้นมาเดินจงกรมตีเจ็ดเจมงช้าก็เตรียมทำอาหารรับประทานอาหารอะไรกันไปต้องจัดตารางเวลาเหมือนไปโรงเรียนเนโรงเรียนนี้เขามีตารางสอนใช่ไหมเวลานี้เรียนวิชานี้มีเวลานั้นเรียนวิชานั้นถ้าปล่อยให้เด็กไปโรงเรียนแล้วไม่มีตารางดูที่จะอะไรจะเกิดขึ้นเด็กมันก็เล่นกันอย่างเดียวเด็กมันไม่รู้จักการเรียนไม่รู้จักวิธีเรียน ไม่รู้จากการสอนต้องให้มีตารางเวลาอย่างนั้นถ้าเราไม่สามารถไปอยู่กับครูบาอาจารย์ได้เราก็เป็นครูบ า, าครูบาอาจารย์ของเราโดยยืมตารางของวัดมาเป็นตารางของเราที่บ้านก็ได้ถ้าเราจะฝึกที่บ้านเราก็กำหนดเวลาเหมือนกับตอนที่เราไปอยู่วัดอยู่วัดตื่นกี่โมงเราอยู่บ้านก็ตื่นกี่โมงอยู่วัดนั่งสมาธิตอนไหน อยู่บ้านก็นั่งสมาธิต่างนั้นไปนอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความเพียรเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่มีความเพียรนี้ก็เป็นเหมือนเรือพ่วงมันก็จะต้องไหลไปตามลมตามน้ำซึ่งลมน้ำที่อยู่ในใจของเราก็เป็นลมน้ำของกิเลสตัณหาทั้งนั้นะเดี๋ยวกิเลสตัณหาก็ลากเราไปเที่ยวละลากเราไปดูหนังฟังเพลงลากเราไปช้อปปิง้งลากเราไป ทำอะไรทั้งหลายทั้งหลแต่มันจะไม่ลากเราเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมกันถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีความตั้งใจที่จะ ป, ปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีวันที่จะปฏิบัติได้ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของความรู้สึกที่มีอยู่ใ น, ในใจของเรา <S <S ความรู้สึกของเราส่วนใหญ่มันอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อยากไปเที่ยวกันอยากไปดูหนังฟังเพลงกันอยากไปกินไปดื่มไปเฮฮาปาร์ตี้กันอยากไปพบคนนั้นพบคนนี้อยากไปทําอะไรต่างๆที่กิเลสตัณหาชอบทํากันถ้าปล่อยให้มันไปทาตามกําลังของกิเลสตัณหามันก็จะลากพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นนั่นเอง เราจึงต้องทวนกระแสะของกิเลสตัณหาด้วยความเพียรของเราเราต้องตั้งสติตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัติธรรมเราจะไม่ปล่อยให้กิเลสพาเราไปตามตามรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะดึงใจให้เข้าสู่ข้างในด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆ หลือด้วยการฟังธรรมหือด้วยการสวดมนต์แล้วแต่เวลาเวลาที่เราไม่ได้นั่งสวดมนั่งสมาธินี้เราใช้ใชพุทโธเป็นการเจริญสติก็ได้ทาอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ท่องพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปยกเว้นเวลาที่ต้องใช้ความคิดกับการงานก็หยุดพุทโธชั่วคราวต้องมัน มันฝึกให้มีสติให้ได้ให้มีกําลังทวนความคิดให้ได้ทวนกระแสของความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้าทําได้แล้วเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายนั่งห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่ความสุขทั้งปวงขึ้นมาแล้วพอเราถึงจุดนั้นแล้วมันจะไปของมันเองะทีนี้มันจะกลายเป็นเรือเรือที่มีเครื่องในตัวมันละ ไม่ต้องมีเรือพ่วงมาคอยลากไ ม, ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นเรือพว่วงให้เรืออื่นเข้ามาลากไปแล้วตอนนี้จะมีเครื่องอยู่ในตัวมีไฟอยู่ในตัวมีอิทธิบาทสอยู่ในตัวมีฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมมีวิริยะความเพียรที่จะเพียรปฏิบัติธรรมมีจิตตะจิตตะคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรม มีวิมังสาคือความคิดคข้ควรเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวแล้วถ้าเรามีทิทธิบาทีแล้วผลต่างๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะคำว่าอิทธิบาทนี้แปลว่าอะไรทางสู่ความยิ่งใหญ่นั้นอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทคือทางความยิ่งใหญ่คืออะไรก็คือมรรคผลนิพพานผู้ที่มีอิทธิบาศีทางธรรมแล้วจะย่อมเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของการมีที่พึ่งทั้งสองส่วนที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนเป็นผู้บอกทางแล้วก็มีอัตตาหิอัตโนนาโถคือความเพียรพยายามการปฏิบัติธรรมของเราถ้าเรามีที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้แล้วความดับทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมด ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเรียกว่านิบานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีมันเกิดไม่มีวันดับสุขไปตลอดตลอดย4บสี่ชั่วโมงนี่คือผลที่จะตามมาต่อไปถ้าท่านมีที่พึ่งคือบีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ามีอัตตาหิอัตโนนาโถจึงขอฝากเรื่องธรรมะอันนี้ไว้ให้กับท่านไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร อ, อยาทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปปักะ ป, ะปะติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจจตุ สัพเพโบเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธามณีโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินาศสตุมาเตภะวะตวันตารายุสุขีทีคายุโกภะ พิวาทนาสีติสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวัานติอายุวันโอสุขังภาลาัช่วงต่อไปเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทาง Facebook Page พระอาจารย์สุชาติ380 Facebook Page พออจอ50า o u t u b e 251อวิทยุออนไลน์8 z o o m 6ผู้รับฟังที่กุติ180รวมทั้งสิ้น875ท่านค่ะ คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะกราบนามส ก, การค่ะพระอาจารย์โยมอยากสอมถามว่าเรื่องเกี่ยวกับการถือสินแปดว่าสามารถกินได้ที่ได้กี่มื้อก่อนเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าตอนนี้โยมเข้าใจว่ากินแค่มื้อเดียวค่ะขอบคุณค่ะมีสองระดับเน่ถ้าระดับเบื้องต้นผู้ฝึกหัดใหม่อาจจะยังไม่มีกาลังมากพอก็กิน2 ส, ส ม, มื้อก็ได้ห้ามื้อก็ได้ ต่ไม่ให้เหลอยเที่ยงวันไปแต่สำหรับผู้ที่ฝึกไปเรื่อยๆ แ, แล้วจิตจะมีกำลังอดทนก็อาจอยากจะกินมื้อเดียวเพราะมันจะได้ปัดเรื่องปัญหาเรื่องกินไปได้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารจะได้มีเวลาไปปฏิบัติได้มากขึ้น mm hmm. ผู้ที่ปฏิบัติก้าวหน้าแล้วมักจะชอบกินมื้อเดียวเพราะจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากกับเรื่องการกิน กินแต่ละครั้งก็หมดไปอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก่อนจะกินก็ต้องเตรียมอาหารกินเสร็จก็ต้องเก็บต้องอะไรอีกอยางนั้นก็ถ้าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติพอสมควรแล้วจะจะชอบกินมื้อเดียวบางคนมากกว่า น, นั้นอีกกินวันเว้นวันก็มีขี้เกียจยุ่งกับการกินกินแล้วขี้เกียจ วันนี้วันไหนไม่กินแล้วมันว่างมันตั้งแต่ตื่นขึ้นมามันก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องกินน้ําถ้วยน้ําชามเรื่องอะไรต่างๆบางคนก็ชอบการอดอาหารก็มีบางที่อดวันเว้นวันก็ยังไม่พอสองวันบ้างสามวันบ้างสี่วันบ้างห้าวันบ้างเพราะมันแต่ก็กินอย่างอื่นนะกินได้เช่นน้ําปานะน้ําผลไม้หรือถ้าบางบางวันเครียรมากๆก็เด่นนมสัแก้วหนึ่งก็ได้ ดื่มโอมันตินอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเพื่อที่จะช่วยช่วยธาตุขันให้มันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อ่อนแรงจนเกินไปกินไม่มากกินกินแบบ ง, ง่ายๆเร็วๆดืม่มแก้วเดียวจบนี้แล้จะได้มีเวลาไปพาวนาะตอนบ่ายก็อาจจะดื่มน้ำปะนะได้ดื่มน้ําส้มน้ําผลไม้ครั้งที่ไม่มีเนื้อกองออกกองเนื้อออกให้หมดก่อนแล้วยังมี เภสัทห้าชนิดที่รับประทานได้คือนยนยน้ำพื่งน้ำอ้อยคือน้ำตาล น, น้ำมันเนยข้นเนย ใ, ใสเนยข้นก็เรียกว่าเนยแข็งสมัยนี้เปลี่ยนจากข้นมาเป็นแข็งเนยใสก็เป็นเนยทาห น, นมปัง ยาโยมก็ฉลาดเอามาผสมเอาน้ำตาลกวนมันเข้าไปกลายเลยมันกลกลายเป็นเนยกวนมีทั้งเค็มเค็มมันมนหวานหวานอันนี้ก็รับประทานได้ในตอนบ่ายหรือเวลาที่รู้สึกว่าร่างกายอิดโรยขาดพลังงานก็กินอ้นนี่เข้าไปสักหน่อยแต่อย่ากินมากนะั้นเดี๋ยวจะกลายกินแทนอาหารไปอย่างนี้ก็มันก็สู้กับไปกินอาหารดีกว่าถ้าจะกินพวกนี้แทนอาหารอย่ากกินอย่างนั้น แต่กินเพื่อเ ป, เป็นเป็นอาหารสำรองให้พลังงานกับร่างกายก็กินบ้างได้แต่สมัยกูบาจารย์ท่านบอกว่าแม้แต่ภาพของพวกนี้ก็ไม่มีให้ดูภาพของอบัตินก็ไม่มีให้ดูก็อย่าว่าแต่ตัวมันเลยสมัยก่อนท่านอยู่ในยุคสงครามโลกเลยท่านไม่มีสินค้าเหล่านี้มากแล้วท่านอยู่ตามป่าตามเขาชาวบ้านก็ไม่มีสินค้าที่มามาถวายพระท่านก็กิน อย่างมากก็น้ําชากาแฟหรือน้ําสมุนไพรชงแล้วอาจจะมีน้ําตาลมาผสมหน่อยทำนองนี้เท่านั้นนี่คือเรื่องการไม่รับประทานอาหารมาในศีลแปดท่านก็บอกให้เริ่มจากการไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก่อนเที่ยงวันจะเอากี่มื้อก็ไม่มีได้กําหนดไม่ได้ห้ามเห็นจะเลินตาขึ้นมาก็เอาก่อนเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> เ, เดี๋ยวเช้าโมงเอาเอาชาม น, นี้ก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่ถ้ากินมากมันก็ไม่ดีอ่ะเว่ามันจะทําให้เกิดความง่วงนอนแล้วมันจะขี้เกียจเชิญถามได้เลยขอการค่ะคือว่าพูดใกล้ๆปางเลยเมื่กกะกี้ะ น, น, น, น, นะคะที่หลวงพ่อเทศว่าเอตอนสวดมนต์นะคะให้ออก เ, เอไม่ต้องไม่ต้องออกเสียงก็ได้แต่ว่าในการออกเสียงอะค่ะให้ ให้เพื่อให้เรามีสติกับตัวเองเลยอยากจะขอเรียนถามว่าอยากจะรบกวนให้ทางให้หลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมไหมคะคือถ้ามีสติท่าออกเสียงเราก็ต้องมีสติอยู่กับเสียงแต่มันสู้<ม>ถ้าต่อไปมีสติแล้วก็สวนแบบไม่ออกเสียงก็ได้เวลาสวดมนต์อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเออตอนสวดอะคะ่ะบางที ส่วนสวนมนุ์ออกเสียงแล้วก็มันมีความคิดอีกความคิดนึงอย่าไปสนใจใหม่ๆ ม, มันแข่งกันมันสลับกันส่วนปุ๊บแล้วก็ไปคิดเรืงนั้นต่อแล้วกลับมาส่วนได้ตอนใหม่ๆก็อยา่าไปกังวลกับเสียงที่มันมาให้อยู่กับเสียงส่วนมนุ์ไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปสติเราดีขึ้นเสียงต่างๆก็จะหายไปก็คืออย่าไปสนใจในสิ่องทีจค่ะใหม่ๆมันยังซากก็มาได้อยู่ มันก็นานอยู่โอเคพยายามทำไปเรื่อยสวดไปเรื่อยเรื่อยยิ่งสวนให้เกาะติดอยู่กับการสวดถ้าอยู่กับการสวดได้นานเท่าไหร่ได้ต่อเนื่องมากเท่าไหร่ความคิดต่างๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยเรือก็คือไม่ต้องหยุดใช่ไหมคะสวดไม่ต้องหยุดสวดของเราไปเรื่อยๆมันจะคิดก็ไม่ต้องไปคิดตามเหมือนกแล้วกันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรับรู้การเรียนถามรู้ก็ การถือสินแปดะใช่ไหมเจ้าคะประมาณเที่ยงเนี่ยโยมเคยเห็นเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าต้องแปรงฟันให้ไม่ให้มีเศษอาหารติดที่ฟันเขาถือเป็นเรื่องผิดจริงไหมคะไม่จริงอะ่ะเรื่องความเค่งมันอยู่ในปากแล้วมันยังมันยังผิดยังไงไปเห็นเขาแปรงฟันกันจริงๆจังๆนะน่าดูเลยเพื่อไม่ให้เศษอาหารติดนั่นก็เค่งแบบสุดโตง่งเกินใช่ไหมเจ้าคะค่ะความจริง เออีกข้อหนึ่งนะเจ้าคะนักยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเขามีการผ่าขอดกันเนี่ยผ่าขอดเด็กนะคะตอนนี้มีคนแย้งว่าเธอจะต้องให้เป็นข้างขึ้นนะเป็นข้างแหลมแล้วมันจะไม่ดีกับเด็กอันนี้ก็เป็นความเชื่องมงายเหมือนกันไม่ควรเชื่อไม่ต้องเชื่อหรอกเอาความสะดวกเอาความปลอดภัยของแม่และเด็กเป็ น, เ ป, นเป็นหลักสาธุครแค่นั้นละคะ<า>่าศาสนาพูดเป็นาศาสนาของเหตุผล ไม่มีไม่มีเรื่องดวงเรื่องชะตาอะไรทั้งสิ้นให้ผมไม่คือความสะดวกความปลอดภัยความความเป็นประโยชน์เป็นหลักนะครับนักศึษกรรมนสการพระอาจารย์ครับเคยไปขอคำแนะนำจากพระอาจารย์บนเขาในวิธีการปฏิบัตินะครับพระอาจารย์เคยแนะนำครับผมให้เพ่งไปที่ร่างกายครับ ในเรื่องของความร้อนกระผมปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งพอเราเพ่งไปที่ขาหรือเท้าที่มันร้อนแล้วกลับมาอยู่ที่ฐานเดิมครับก็คือตรงลิ้นปีที่นี้มันเกิดสภาวะที่แบบว่ามันร้อนแล้วมันก็เริ่มหายไปแล้วมันไม่เห็นไอความร้อนทีนี้จะเอาสติมาจับไว้ที่ลิ้นปีเหมือนเดิมแต่มันกลับไม่เห็นอาการที่มันพองยุกก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันเหมือน มันเหมือนหาตัวจับไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าทำผิดหรือทำถูกอย่างนี้คือความจริงเราไม่คยสอนแบบนี้เนี่ยอาจจะทาผิดก็ไม่รูร้จากใครไม่รู้รเราจะสอนให้ดูลมเป็นหลักนะหรือพุทโธนะดูลมที่ปลายจมูกอยู่ที่ปลายจมูกลมมันต้องเข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องไปไหนมันไม่หายไปไหนเราอย่าไปสนใจกับอาการอื่นๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่ดูลม มางทีเกิดอาการรู้สึกตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจอาการร่างกายใหญ่ขึ้นอาการร่างกายเล็กลงเรื่องอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องไปสนใจให้ดูลมที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกก็อยู่ที่จุดนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาอยู่ที่ปลายจมูกดูทั้งตอนที่มันเข้ามันออกตรงทวารทางเข้าออกแล้วใจมันจะได้นิ่งได้ใจมันจะได้มีอะไรเกอะ ถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทโธช่วยก็ได้ท่างพุทโธพุทโธหรือเปลี่ยนจากการดูลมมาท่องพุทโธแทนก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธก็ไม่ต้องดูลมให้อยู่กับคําว่าพุทโธไปอย่างเดียวอย่าให้มันหายอย่าให้พุทโธหายครับมันจะหายต้องให้มันตกหลุมตกบ่อกันถ้ามันหายอย่างนั้นได้ถ้ามันยังไม่ตกหลุมตกบ่อแล้วเราหยุดนี้หายแบบนี้ไม่ได้ เดี๋ยวหายแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็คิดปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่ถ้ามันหายแบบตกลุ่มตกบ่เนี่ยมันจะไม่คิดปรุงแต่งมันจะนิ่งมันจะสงบเคยเอกระผมเคยฝึกดูลมครับแต่พอดูไปนานๆเหมือนเหมือนมองไม่เห็นลมอะครับเหมือนมันมันหายไปเองเองเลยก็ดูใจแทนก็ดูดูจุดดูใจว่ากําลังคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดก็ต้องหยุดมันอย่าให้มันคิดครับคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันคิด พอไม่มีลมดูก็ดูใจต่อดูความคิดต่อตอนนี้ยังคิดหรือเปล่าคิดก็ให้มันหยุดอย่าคิดบอกอยาคิดอยาคิดก็ได้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้ถ้ามันถ้ามันยังคิดอยู่ขออีกหนึ่งคำถามครับแล้วถ้าเกิดว่ากระผมนั่งดูลมไปมีสภาวะอะไรเข้ามาแล้วเราไปเราเขอไปแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่ลมอีกต้องกลับมาที่ลมเส ม, มอลมจะพาเราเข้าสู่ความสงบยังเกิดจะพาให้เรา ไม่เข้าสู่ความสงบเราไม่ต้องไปพิจารณา<ช>ไม่ต้อง Thompson, อพิจารณาตอนอตอนที่เราทําสมาธิไม่ต้องการพิจารณาอะไรทั้งสิ้นต้องการทําใจให้สงบอย่างเดียวถ้าไปพิจารณาก็จะไม่มีวมมมันสงบและพิจารณาก็เละเทะไม่ได้เป็นไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าพิจารณาอะไรงั้นอย่าเพิ่งไปพิจารณาในเบื้องต้นต้องทําใจให้สงบก่อนเราเวลาพิจารณาขั้นพิจารณาต้องมาศึกษาก่อนว่าพิจารณาอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการพิจารณา ต่อไปต้องพิจารณาเป็นเรื่องเลื่อมไม่ใช่นึกอยากจะคิดอะไรก็คิดไปเรื่อยเปยื่อยอันนั้นไม่ถูกสิ่งที่พระเทวต้องการเราพิจารณาคือร่างกายของเราเว <S S 2> <ม><ม>ทนาของเราอารมณ์ของเราอันนี้ต่างนี่คือเป้าหมายของการพิจารณาไม่ใช่คิดพิจารณาไรเร่เทเรื่อยเปื่อยไปหมดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการการเจริญวิปัสสนา แต่ก่อนจะเจริญมวิปัสนาได้ต้องทําใจให้สงบให้ได้ก่อนให้เป็นอุเบกขาให้นิ่งก่อนแล้วเวลาออกจากสมาธิค่อยทําแต่เวลามันนิ่งอย่าเพิ่งไปทําเวลาอยู่ในสมาธิให้มันนิ่งไปนานๆเพราะเวลาออกจากสมาธิมาเราจะได้ใช้ใจที่นิ่งนี้มาพิจารณาทางวิปัสนาได้ต่อไปสช่ไหมครโอเคมันเป็นสองวิชาอย่าเรียนพร้อมกัน วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาภูมิศาสตร์นี่ไม่เรียนพร้อมกันวิชาสมาธิกับวิชาปัญญาไม่ไม่ทำพร้อมกันผ่านกานทำคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณชีวิตบอยบินขอโอกาสครับถ้าจิตมันไม่ส่งออกนอกแล้วไม่รู้อารมณ์ต่างๆภายนอกแล้วเราจะดำเนินต่อไปอย่างไรครับก็ให้มันอยู่ภายในเป็นนาน แล้วถ้าภายในเกิดความคิดปรุงแต่งก็ต้องหยุดมันอย่าให้มันคิดให้มันรู้เฉยๆแต่ว่ารู้แล้วมีอะไรให้รู้ก็ไม่ไปนสนใจรู้อะไรมาให้รับรู้ก็ปล่อยวางมันอย่าไปปรุงแต่งว่ามันเป็นอะไรนะรู้เฉยๆคำถามต่อไปจากคุณดิศยาค่ะข้อที่หนึ่งการบูชาองค์เทพต่างๆทำความเคารพรูปปั้น ที่ไม่ใช่พระพุทธรูปจะขอพรการรับบนบานถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือไม่คะมันเป็นความจะว่ามิจฉาทิฐิก็ได้เป็นความโง่ก็ได้คือไปขอในสิ่งที่เขาไม่เขาไม่ทำกันเขาสิ่งนี่เราขอเขาไม่ได้ทำอันนี้ให้เราได้ <c oughs> ก็ขอไปก็เสียเวลาปก่าๆศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาขอเป็นศาสนาธรรมให้ทำอยากจะได้อะไรให้ทำ อยากได้เงินก็ไปทำงานอยากได้วิชาความรู้ก็ไปเรียนหนังสืออยากได้ปัญญาทางธรรมก็ต้องปฏิบัติธรรมไปไม่มีการขอเนื่องแต่พระพุทธเจ้าขออะไรจากท่านไม่ได้ท่านให้ได้ก็เพียงคำสอนวิธีที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทำของเราข้อที่สองค่ะเดี๋ยวอันนี้ขอให้เป็น<อ>คำถามสุดท้ายกนเลยละ ค, ค่ะ ค่ะข้อที่สองค่ะคนนี้เอาให้คนนี้ให้เหมือนกันกันกี่ข้อกันได้ขออนุญาตค่ะยังมีข้อที่สองไม่ใช่เหรค่ะให้หมดเลยค่ะถ้าเราผ่านวัดแขกหรือศาลเจ้าเราสามารถยกมือไหว้ทําความเคารพได้ไหมคะจะยกก็ได้ไม่ยกก็ได้มันแล้วแต่เราเราอยากจะไหว้ใครก็ไหว้ได้ถ้าเคารพใครเราอยากจะไหว้เขาก็ไหว้ได้ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วกันเท่านั้นเอง เนีย่ยไปหวังในสิ่งที่เขาไม่สามารถให้กับเราได้แต่เราไปเชื่อว่าเขาให้กับเราได้มันถ้าได้ศึกษาธรรมก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรให้อะไรกับเราได้นอกจากตัวเราเองเราต้องเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองความสุขความเจริญของเราไม่มีใครให้เราได้เราต้องเป็นผู้สร้างความสุขความเจริญด้วยการทำความดีต่างๆแต่ถ้าเป็นธรรมเนียมเราไปวัดแขกเราก็ไหว้ตามเขา อยู่เมืองเหียวก็เลียวตาตามเเพื่อไม่ให้เสียมารายาท <_ an> เพื่อไม่ทําให้คนอื่นเขามีความรู้สึกไม่ดีกับเราที่เราไม่ให้ความเคารพต่อสถานที่เียว่ารู้จักการละเทสะ <_ an> แต่ถ้าเราคิดว่าเราไหว้ไม่ได้เราก็อยากไป <_ an> ถ้าเราครึกว่าเราไม่อยากจะไหว้เขาชวนเราไปเราก็อยากไปเราบอกว่าไปแล้วเราทำตามที่คุณทำไม่ได้ขออภัยด้วยแต่ถ้าไปก็ควรจะทำไปทาด้วยกิริยาก็หมายถึงว่า ใจไม่ได้ไปมีอะไรกับการกระทเหมือนการแสดงภาพออยนตร์ดาราเขาแสดงโอ้ลักกันโกดกันแต่เขาใจเขาไม่ได้ลักไปโกดกอะไรกับใครหรอกอันนี้ก็เหมือนกันบางทีเราเข้าสังคมบางทีเขาให้กาก็กาดเขาให้สวดก็สวดกัเขาให้ทำอะไรก็ทำไปเพราะเราไปเข้าสังคมของในช่วงนั้นเอาลวนะวันนี้ช่วงสิ่งสองนี้มีเวลาน้อยเพราะมีญาติโยมมาเยอะกันวันนี้ ก็ถ <S an> ้าอยากจะถามอีกก็พวกนี้มีอีกวันหนึ่งวันพระก็ยังมีการแสดงธรรมแล้วก็มีการถามตอบคำถามเหมือนวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ